สุทินกลันทบุตรออกบวชต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสุทินกลันทบุตรดังนี้ว่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบวชแล้ว30ทันใดนั้นพอสุทินกลันทบุตรได้ทราบว่ามารดาบิดาอนุญาตให้บวชก็ร่าเริงดีใจลุกขึ้นมาใช้ฝ่ามือเช็ดตัวบำรุงกําลังกายอยู่สองสามวัน แล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรสุทินกลันธบุตรผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกแล้วขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดบวชให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา้าสุธินกลันธบุตร ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชได้ไม่นานท่านพระสุทินได้ถือธุดงคขวัต ด, ดังนี้คืออยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินธบาตเป็นวัดหนึ่งชายผ้าบางสุกุลเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินธบาตไปตามลําดับเรือนเป็นวัดหนึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัดชีตําบลหนึ่งพระสุทินกรันทบุตรไปเยี่ยมบ้านสมัยนั้น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 แต่ในกรุงเวสาลีเรามีญาติอยู่จำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นครอบครัวมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากอย่ากระนั้นเลยเราควรจะไปอาศัยพวกญาติอยู่ถึงพวกญาติก็จะอาศัยเราทำบุญถวายทานภิกษุทั้งหลายจะมีลาบและเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องบินทบาท ครั้งนั้นท่านพระสุธินจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรแล้วจาริกไปทางกรุงเวสาลีเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าท่านพระสุธินพักอยู่ณกูตาคาระสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นบรรดาญาติของท่านพอทราบข่าวว่าพระสุทินกลันทบุตรกลับมากรุงเวสาลีจึงนาอาหารหกสํารับไปถวาย ท่านสละอาหารทั้งหมดถวายภิกษุทั้งหลายแล้วครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอเข้าไปบินทบาทที่หมู่บ้านกลันทคามในตอนเช้าเที่ยวบินทบาทไปในหมู่บ้านกลันทคามตามลําดับเรือนเดินตรงไปทางบ้านโยมบิดาสาพอดีขณะนั้นท่านหญิงของญาติกําลังจะทิ้งขนมกลุ่มมาดค้างคืนท่านบอกทาานหญิงว่าถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาทของอัตมาเถิด ขณะที่ท่านหญิงกําลังเกลี่ยขนมกุมารค้างคืนลงบาดนางจําเข้ามือเท้าและน้ําเสียงของพระสุทินได้จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านแล้วกล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระสุทินบุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะมารดาของพระสุทินกล่าวว่าถ้าเธอพูดจริงเราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทย32ขณะที่ท่านพระสุทิน กำลังนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุ ม, มารค้างคืนอยู่พอดีโยมบิดาของท่านเดินกลับจากทำงานได้เห็นท่านกำลังนั่งฉันขนมกุ ม, มารค้างคืนอยู่ครั้นเห็นแล้วจึงตรงเข้าไปหาถึงที่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระสุทินดังนี้ว่าอะไรการลูกสุทินลูกฉันขนมกุ ม, มารค้างคืนหรือลูกควรไปบ้านของลูกไม่ใช่หรือท่านพระสุตินตอบว่า อาตมาไปที่บ้านของโยมมาแล้วขนมกุ ม, มารค้างคืนนี้ก็ได้มาจากที่บ้านนั้นท่านใดนั้นบิดาจับแขนท่านพระสุทินกล่าวว่ามาเถิดลูกสุทินไปบ้านด้วยกันท่านพระสุทินจึงเดินตรงไปบ้านของโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาของท่านพระสุทินกล่าวว่านี่บนท่านฉันเถิดไม่ละโยมวันนี้อาตมาฉันอิ่มแล้ว ขอนิมทนรับฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระสุินรับนิมมต์โดยดยสนีภาพแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไป